ที่ถวายงานเกี่วกับมหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์นอกจากจะได้รับอารัธนาให้มาปารหกถาธรรมแล้วก็ถือโอกาสมาศึกษาดูงานด้วยในเริ่มต้นตน้องครอนุโมธนาทางท่านเอกขราชกทูตและปริยาตลอดจนข้าราชการแห่งสถานทูตไทยทุกท่านทุกคนที่ได้ให้เกียรติมาต้อนรับคณะของอตภาตมรางภาพตั้งแต่เช้า พร้อมานนั้นก็ได้ประสานงานการเดินทางอย่างดียิ่งซึ่งในเรื่องนี้ธรรมาภาพต้องข อ, อนุโมหันาในน้ำใจเมตไตรยนงดอามไว้เน่ากันให้ด้วยขณะเดียวกันก็ต้องข อ, อน้โมหนาคคนโยกทั้งหลายนะวันนี้นำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพระและ้วดูพระสองรูป และอาหารนั่งเป็น 100, ร้อยจานพันจานบรกลคนก็เตรียมอย่างดีคนยองม้วนมาแกะกุ้งอยู่ข้างหน้าหรือลูกค้าจะฉันมนหนอถ้าก็ฉันไปสัญสาแลวตอนสามโมงเช้าสเวจโมจะให้ฉันอีกแล้ว เติมที่ก็เลยไม่รู้จะตัดสินใจใดไงวันนี้ฉันด้วยความลาบากใจนะได้แต่หยิบข้าวเหนียวแล้วก็ไม่รู้จะลงอันไหนวันมาวันไปยัไม่รู้มันมีของฉันไหมก็ต้องต้องขอโนโมทนาแล้วขอภัยนะอันไหนที่ฉันได้ก็ฉันฉันไม่ได้ก็ฉันด้วยสายตานะเออใช้สายตาลามเลยเอาก็แต่ว่าได้บุญเท่ากันนะ อุ้งอกินใจนะที่จะย้ยมมากันเยอะแยะทั้งชาวไทยชาวญี่ปุ่นอาตมาก็ภาษาญี่ปุ่นพูดไม่ได้เลยนะญี่ปุ่นี่เต็มที่อาตมารู้จักแต่โดเรมอนนะมีการร้องเป็นโดเรมอนได้ไหม ย, ยกมือสิอตาตมานี่โตมากับโดเรมอนนะแล้วก็หนูน้อยอาราเรนะนอกจากนั้นรู้จักญี่ปุ่นก็พู้กับไฟฟูจิ แล้วก็รู้จักอะไรอีกล่ะโอ้อีกิวซังน่าสนใจเลยอีกิวซังเนี่ยน่าสนใจมากแตมาชอชอบอีกิวซังมากแล้วก็นอกจากนั้นก็โตมากับโตมากับละครสั้นที่ที่พระเอกจะเป็นเป็นคนธรรมดาธรรมดาแล้วพอถึงยามขับขันมันก็แปลงร่างยังมีอยู่ไหม มีอยู่เลยนี่น่าเชื่อนอกจากนั้นเวลาอยู่เมืงไทยถ้าหันไปในห้องอาดมาก็จะเจออะไรอะไรที่เต็มไปด้วยความเป็นญี่ปุ่นพัดลม อ, อะไรเีย่ยอิตาลีมังคุดข้าวตุ้งชิบ้าตู้เย็นพลตตินิกชาร รถยนต์อะไรดี โ, ดโตโตา้ฮาฮอนดา้ดาคาวาซากินิสสันสันนี่แล้วก็พระเอกนะั้นเอกอ็จะมารู้จักใครบ้างหนิเกียวโกยังอยู่ไหมเก่าไปนะออ e อันนี้รู้จักจากเขาไปรับเชิญเรื่องนึงไทยหนื่เรื่อง ห, อนหนึ่งนะชื่ออะไรดี เป็นทางใหญ่หันใจว่าบุเนอนะอืดนะอดังนะก็ดังนะเออนอกจากนั้นอาตมาก็รู้จักญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่สึนามิข้าวไหนใครรอดชีวิตมางเงยอะเลยอยู่ในเหตุการณ์กันบ้างไหมอยู่เหตุการณ์ น, นนะ จริงจริจริงจอาตมาได้รับนิมนต์ตั้งแต่ปีที่แล้วให้หมาเที่แล้วก็ซื้อตัว๋วเตรียมตัวหมดว่าจะมาให้พอเซอร์นัมมี่เข้าก็ขอหอนตัว๋วที่ได้ยังนิมนตีนมนต์พระหนึ่งรูปญาติโยมสามคนพูดติดตามนะจากนั้นพอเซอร์นัมมี่เข้าอาตมาหอนตัวน๋วเนี่ยญาติโยมโทรไปบอกพระอาจารย์มาสิบเลยก็ได้ หายใจยากเอาชีวิตมาทิ้งนี่ก็เป็นเป็นการรู้ จ, จักญี่ปุ่นแบบทิ้งเหมนเต็มทีสําหรับอาตมาฉะนั้นวันนี้จะไม่พูดถึงญี่ปุ่นขออนุญาตไม่พูดถึงที่เป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะเกรงว่าจะเอามะพร้าวห้ามมะขายสวนโดยเฉราะท่านเอข้าเจ้าทุ่ท่านอยู่ตรงนี้ด้วยนะเอามาพร้าวห้ามมะขายแถวนี้มมนไม่ได้นะขอไม่พูดถึงญี่ปุ่นในชน่งวิชาการ แต่จะมาจะขอพูดถึงธรรมะจากประเทศญี่ปุ่นพวกเรามาอยู่ญี่ปุ่นมีธรรมะกันไหมมีไหมมีธรรมะมันก็ต้องมีเงินมีทองที่มีเงินด้วยังคนมีธรรมะก็ต้องมีเงินเลย เนี่ยเพราะถ้าถามเรื่อกไม่มีกลัวซ้อมพระป่าแล้วสิ <laughs> เอาละนะอันดามาเมทธรรมจากญี่ปุ่นจะมาฝากพวกเราเคยรู้กันบ้างไหมว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งพุทธศาสนาเคยเจริญที่นี่แล้วพุทธศาสนาที่เจริญที่นี่ทุวกวันนี้ยังคงมีที่ทคนอยู่โดยเฉพาะยิ่ง พุทธศาสนาที่เคยเจอที่นี่ในเวลานี้กำลังได้รับความสนใจมากเนื่งจะว่ามีบุคคลระดับโลกคนหนึ่งเครมาศึกษาพุทธศาสนาที่นี่นแล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาคุณยนึอกออกไหมว่าเขาคนนี้คือใครคุณยนใช้ใช้ iPad ถ่ายรูปมาทำายเห็นไหมเจ้าของ iPad คือสตีฟจอบ ผู้ชายคนนี้เคยมาศึกษาพระพุทธศาสนานี่กายเซนแล้วนำเอาปรัชญาเซนไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการออกแบบจนนวัตกรรมตระกูลแอ p เปิมีแต่ความเรียบ ง, ง่ายอย่างไอ a พนะจริงๆอาตามาคิดว่าน่าจะได้แนวคิดมันจากกระดานเชนวนของไทย <laughs> <laughs> มันใหญ่นิดเออ แล้วทำไมคนไทยไม่สร <Jamie, S 1> ้างสรรค์อะไรต่อเราคิดได้ก่อนน่ะใช่ไหมสิ่งทำมาต่อยอดนี่ดูเท่นั้น่ะเอากระดาจชนวนมาขายแล้วอันละเท่าไหร่ตอนนี้รวยมากแต่รถยนต์ถ่ายแต่มาด้วยไอโฟนเห็นไหมโทรศัพท์หนึ่งเครื่องมีปุ่มเดียวกดชุบเข้าไปแล้วทำได้กี่อย่างเป็นสิท์เป็นสิทธิ์คนสมัติเขาบอกว่า เขาเริ่รับอิทธิพลของพุทธศาสนานิกเซนเซนเลนอะไรความเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายมีประสิทธิภาพที่สูงมากนี่ไงฝรั่งอยู่ตั้งอเมริกาเวทมาญี่ปุ่นเดือนสองเดือนกลับเอาภูมิปัญญาชยัดกลับไปเราท่านทั้งหลายเฝ้าญี่ปุ่นมากี่ปี เรางยากจะได้สามีญี่ปุ่นแล้วอย่างอืมีอะไรบ้างมีโรคบ้างมีเรื่อไม่วันนี้เราเกิดจริงๆแต่ประมาณว่าเรา่้จะได้จากยาญี่ปุ่นไปใช้บ้างนะฉะนั้นวันนี้จะขอเล่าถึงปุ่นปัญญาญี่ปุ่นจากนิกายเซินสัก ส, สามสี่เรื่องกันแล้วกันนะะลองมาฟังดูแต่มามีสองสามเรื่องจะเล่าให้ฟังเรียกว่านิทานปรัญญาเซนแล้วกันในฐานะที่เซนเริ่มต้นที่จีนแล้วมารุูร่วมที่ญี่ปุน่นอัตมาพัฒเองเป็นคนที่ชอบพุทธศาสนานิการเซนมากถึงขนาดที่ว่าเมื่อมีหลานคนหนึ่งอัตม า, าเอาคําว่าเซนไปตั้งเป็นชื่อหลานของอัตมา แล้วตอนที่เรียนปริญโทอัตมาก็ทำวิทยานิพนธ์ลเล็กๆนะเรื่องประวัติและพัฒนาการของเสนแล้วก็เคยเอามาพียนแจกในงานทาบุญคล้ายวันเกิดของอาตมา ด, ด้วยเราจะมาชื่นชมตบยาเสนวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังสามสี่เรื่องเรือนอที่หนึ่งเรื่องน้ำชาล้นถ้วยวันนี้ยมถวายน้ำชาอาตมาเนี่ยนะ มันมีปราอยู่ตรงนี้นะน้ำชาล้นห้วยนี่ว่ายังไงเรื่องมีว่ามีศาสตราจารย์คนหนึ่ ง, เ ป, งเป็นคนที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมสูงลึกประจํามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีมาว่าหนึ่งศาสตราจารย์คนนี้ก็คิดว่าแหมเรานี่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการใหญ่จนไม่มีใครอยากจะต่อกอนด้วยละ ไปี่วัดดีกว่าก็เลยไปที่วัดแกเดินเข้าวัดไปนี่แกพองขับวัดเลยนะอยู่มหาวิทยาลัยแกก็พองขับมหาวิทยาลัยแ ก, กคิดว่าแกเป็นผู้รู้แต่กแกเดินเข้ามาในห้องนี้นี่แกไม่เห็นหัวใครซึกคนเพราะแ ก, กคิดว่าแ ก, กเนแน่มากนะออกไปถึงปั๊บ oh <my> นั่นอ า, าจารย์ก็เข้าไปนั่งพวกเขาอยู่หน้านหลวงพอ่อหลวงพ่อเป็นปรมาจารย์แห่งนิการ์เน ถ้าทำจัดการรินชาต้นทําท่านสัตว์ราชาเขาเฝ้ามองหลวงพ่อก็รินน้ำชาเ็นไปดิไปจนกระทั่งชานั้นะล้นแล้วล้นอีกล้นแล้วล้นอีกสัตวราชาเของหลวงพ่อครับล้นแล้วครับพอได้แล้วครับน้ำชาล้นแล้วหลวงพ่อก็หัมามองโยม โยมก็เหมือนถ้วยชาถ้วยนี้เหมือนอยังไนครับลหลวงพ่อก็ถ้ามันล้นขนาดนี้แล้วจะเติมอะไรเข้าไปได้อีกล่ะายโยมอยากเรียนเซนกับอาตมาเนาะต้องทำหัวของโยมให้ว่างเหมือนถ้วยชาที่ว่างก่โอ้สัตว์ปรจานได้ยินอย่างนี้ปั๊บเลยหันไป ม, มองหน้าหลวงพอ่อโอ้โหหลวงพ่อนี่ไม่ธรรมาดา แกก้งกราบแล้วกลับมหาวิทยาลัยเลยเพราะอะไรเพราะว่าโดนหลวงพ่อเนกคขาที่เลยยังนอนปูสนามทําออกไหมโอ้โหระดับอยู่ที่ปุนเป็นสิบปีฟังแค่นี้ไม่ต้องสรุปแล้วมั้ยจะต้องให้สรุปไหมคนเราอะนะมันสิคิดว่าเรานั้นเก่ง มักจะคิดว่าเรานั้นรู้ดีแต่บางครั้งเราก็เลยคิดว่าเราไม่จาเป็นจะต้องเรียนรู้จากใครเรากลายเป็นน้าชาที่ล้นออกมานอกถ้วยถ้าโยมอยากจะเป็นถ้วยชาที่เติมน้าชาลงไปได้เนะี่ยโยมต้องเป็นถ้วยชาที่ว่างรือเต็มว่าง <Wow. S 1> wow. ถ้าเติมเติมอะไรเข้าไปได้ไหม <Yeah. S 1> แต่ถ้าว่างเติมได้ไหม yeah. วันนี้นั่งอยู่ในวันนี้ว่างหรือเต็มฟังเลยชื่นใจอยากย้ายมาอยู่วัดต่างนะครับได้มาไหมแล้วที่นี่กหรือเปล่าไม่มีแล้วนะเเห็นไหมวันนี้ว่างหมดนะเฮ้ยงั้นถ้ตมาสบายใจจะได้เรียนอะไรใสเยอะๆยทีนี้ ถ้าเราทำตัวเป็นช้วยชาที่มันเต็มไปด้วยน้ําชาเนี่ยเยียวแมชีวิตมันจะมีปัญหาไหมมีใช่คหมจ๊ะคนจำนวนมากที่คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งตัวเองแน่ตัวเองดีคนอย่างนี้ไม่พร้อมจะฟังใคร เขาคิดว่าฉันเก่งฉันเจริงฉันแม่เรื่องอะไรฉันจะต้องไปฟังพักหรือรบางทีเข ค, คิดนะเ <c oughs> รื่องอะไรจะต้องไปฟังพ่อเรื่องอะไรจะต้องไปฟังแม่เรื่องอะไรจะต้องไปฟังคนของสถานทูตอยู่ที่ไหนก็ฉันเก่งฉันเจ๋งโคนอย่างนี้นะเขางโง่ยังไม่รู้ว่าใจงโง่ในโลกนี้จะมีใครที่น่าสงสารยิ่งไปกว่าคนที่โง่แล้วไม่รู้ว่าใจโง่เห็นไหม พรกรณอย่างนี้จะไม่มีใครโกดเขาเลยนะคนประเภทน้ําชาล้นถ้วยเป็นคนที่อาภัพมากเพราะกรณ์อย่างนี้ต่อให้พระพุทธเจ้ามาเองยังบางทียังถูกทิ้งพระพุทธเจ้าทิ้งเลยนะใช่นในรั้งพุทธการเนี่ยมีพระรูปหนึ่งนะแต่เดิมท่านก็เป็นทหารเล็กของพระพุทธเจ้านะนะั่นแหะทําช่วยฉช น, นะท่านไปบวช พอไปบวชแล้วเนี่ยแทนที่จะฟังเทศฟังธรรมอยู่วัดเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ฟังเล ย, ยตืย่นแต่เช้าทํากิจวัตรเสร็จท่านหอมจีวรเรียบร้อยไปนั่งหน้าวัดแทนไปใครมากราบพระพุทธเจ้าท่านก็ซักก็ถามทําตัวยังกับเป็นเจ้าที่เป็นจัมคลเตอร์ <c oughs> านา่งเ ย, ยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวกันทำโยนไปหน้าห้องพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมฟังธรรมนั้นเพราะอะไรเพราะท่านคิดว่า โอ้โหพระพุทธเจ้า่ะตอนครองการอาตมรึงเป็ น, น ม, นมาหาดเล็กอตาตมรึงเนี่ยข้าเก่าเตาเลี้ยงท่านก็พูดว่าภูมใจของท่านอย่างนี้คือท่านเป็นน้ําชาลอยด้วยไงเชื่อไหมต่างรอเวลาที่พระพุทธองค์ยองสุรชนอยู่เวลาพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมท่านไม่เคยไปฟังเพราะท่านเดอว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กตั้งเล็กฉัน สิ่งแน่สักแค่ไหนล่ะเจ้าชายสิทัถะโตมาด้วยกันเดี๋นี้เป็นพระพุทธเจ้าก็ ค, คนกันเองท่านน่ะท่านคิดอย่างนี้นวงด้วยไหมต่อมาก่อนพระพุทธองค์จะเสด็จดับกันท้าปริธธนิพานพระพุทธเจ้าทั้งมี่วงอยู่่วงหนึ่งกือท่าโปรดคนทั้งโลกอะอยังเหลือหน้าห้องท่านคนเดียวเนี่ยโปรดไม่ได้นะ่ะคนที่ใกล้ใกล้ชิดกันมากนะใกล้เกลือกินเหลา เหมนกบเท่านั่งเฝ้าก่อบัวไม่เคยได้ลิ้มชิมเกษรบัวสู้มแมลงพึ่งมแมลงผู้ไม่ได้ที่บินมาแต่ที่ไกลมาโฉบนิดเดียวก็ได้ลิ้มชิมเกษรบัวถ้าจำนั้นก็เหมือนกันท่านเป็นแค่กบเท่าที่นั่งเฝ้าก่อบัวไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมฟังธรรมก่อนจะเสเด็จตัดขันพระปรินิพานพระพุทธองค์นั้ น, น, นห่วงมากเหลือห่วงเดียวท่านก็เลยสั่งท่าอานุ์พูดท่าอนุชาว่าอ น, อนุน วันหนึ่งถ้าเราจาหาคดลุ่มรับดับขันไปนะขอให้เธอจงลงพรหมทานแก่พระฉันนะพรหมทมานคือยังไงพรหมทานคือการลงโทษแบบผู้ดีพรหมเนี่ยแปลว่าผู้ดีการลงโทษแบบผู้ดีก็ทำยังไงคื อ, อ, ไ, คอไม่พูดไม่คบไม่สเสนเสวนาไม่มองหนะ้า พระฉันน่าจะทําอะไรทําคณะสงฆ์จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวท่านมีตัวแต่ท่านไม่มีตนมนมุษย์จะเจ็บปวดมากจากการที่ถูกมองไม่เห็นหัวการโลโก้ชั้นสูงก็คือการมองไม่เห็นหัวพอพระพุทธองค์เสด็จดับขันทพระนิพพานไปแล้วคณะสงฆ์อยู่ในวัดเป็นพันรูปนะไม่มีใครทักทายพระชันน่าเลยตอนพระพุทธองค์ยังอยู่ตรงท่านเป็นซัมโบดีนะ้เป็นคนสําคัญนะ พอไรพูดตรลุกลับดับขันไปแล้วท่านกลายเป็นโนบอดี้ท่านจะทำอะไรท่านจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะฉันอะไรจะไปไหนไม่มีใครให้ความสนใจท่านจดดเจ็บปวดรวดราแทบล้มระดายตายนักจิตวิทยาเคยเล่าให้แตมาฟังว่ามนุษย์เจ็บปวดที้สุดไม่ใช่เพราะถูกทุบตีทางกายแต่เจ็บปวดที่สุดเพราะถูกกระทำทางจิตใจนักจิตวิทยาคนเดียวกันเล่าอีกว่า มันสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วตบตีกันเป็นเรื่องปกติทุกครั้งที่ตบตีกันก็หัวรางข้างแตกอยูม่มาวันหนึ่งสามีกําลังจะตบเธอแล้วเงื้อมือขึ้นมาจะตบเหมือนที่เคยตบทุกครั้งภรรยาก็เอียงแก้มคอยมันตบซะจนชินแต่คราวนี้สามีเนื้อมือมาสุดแขนจะตบป๊อปพอใกล้กันพอใกล้แก้มนะสามี ชักมือกลับภรรยาก็เอ๊ะทำไมทุกครั้งมันเคยตกแต่คราวนี้มันไม่ตกนะถามสันนี้พี่ตอนนี้แก้มน้องไม่มีค่าที่พี่จะตกอีกแล้วจะมีดนกลับเลยแล้วพรรยาก็ไปหานักกิตวิทยาบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เจ็บปวดรวดร้าวที่สุดในชีวิตคู่เพราะอะไร ถ้าเขายังตกยังตีอยู่แสดงว่าตัวเองก็ยังมีความสำคัญใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเขาเงือแล้วไม่ตกก็เท่ากับ ว, ว่าหมดแล้วความสำคัญฆ <c oughs> ่ากันเลยดีกว่าถ้าจะทำอย่างนี้ว <c oughs> ันหลังยงกลับบ้านเขาตกตีสามีแล้วเราแนะนาให้เงือดู <c oughs> แล้วแล้วก็ตกให้สามีเจ็บปวดเช่นเดียวกันถนาชนะทานก็เจ็บปวดมาก มองไปทางไหนไม่มีใครในวัดผู้จ่าโดยพอพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพานถวายพระเพลินพระพุทธสรีรลเสร็จท่านก็ไปถามพระอนุอนอนุนเดียวนี้คนทั้งวัดเป็นอะไรเนี่ยไม่พูดกับผมเลยไันหมายความว่ายังไงพระอนุนก็บอกว่าเออท่านฉันนะพระพุทธองค์สั่งเอาไว้ว่าพอพระองค์ท่านสิ้นแล้วเนี่ยให้สงลงพรมมรทานกับท่านนะอะไรคือพรมมทาน คือพระองค์บอกว่าถ้าท่านอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะไปก็ไปอยากจะใช้ชีวิตยังไงก็เชิญชท่านฉันนั้นที่ท่านรับที่สุดก็คือพระพุทธองค์นะพอทัานมารู้ว่าคนที่สั่งลงโทษท่านก็คือคนที่ท่านรับที่สุดเท่านั้นเองท่านเสียใจท่านเป็นลมลม้ลมลงไปคณะสงฆ์ประคบประหลงซื้อมาสามครั้งยมฟื้นก็เป็นลมฟื้นก็เป็นลมฟื้นก็เป็นลมทําไมเสือใจ เสียใจเพราะคนที่รักกันทำร้ายกันแต่พระพุทองค์ทำร้ายด้วยความรักนะคือสอนดีๆแล้วไม่ฟังไงบางครั้งพระพุทธองค์ก็ทรงมีบทโหดคือสอนแล้วไม่รับนี่ก็เรียกว่าเป็นการสอนอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันคือสอนด้วยลูลกยอกอภยัยไม้เรียวแล้วเอาไม่อยู่ไนงะสุดท้ายพระพุทธองค์ก็สอนด้วยไม้เด็ดถ้าไม้ตายของพระองค์ท่านก็คือ ถิง <c oughs> แล้วแต่คุณเน่คุณจะใชชีวิตยังไงก็แล้วแ ต, แต่ปล่อยเลยแต่ปล่อยมันไปกับได้ผลเพระท่านสันนะท่านรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้นี่เราเลวถึงขนาดพระพุทธองค์เน่ยนะยังต้องสั่งลงรมนตร์เดียวเลยตายละถ้าทั้งวัดเป็นพันไม่คุยกับเราแล้วเราจะอยู่ยังไง ท่านเจ็บปวดมากจากการที่ถูกมองไม่เห็นหัวนะก็เลยไปหาพระนรินแล้วขอคาําภายพระนรินบอกว่าถ้าท่านสํานึกตัวได้เมื่อไหรส่สงฆ์ก็จะยกเลิกพรหมทานปรากฏว่าพรานนะชชนาเนี่ยทนถูกบียดคันไม่ไหวเหมือนประเทศพมา่าเนี่ยทนให้มาหามหน้าเซ็นชั่นไม่ไหวสุดท้ายต้องเปิดประเทศเป็นประชาธิปไตยนะจริงไม่จริงไม่รู้ละนะแต่ว่าทนถูกเบียดคันอย่างนั้นไม่ไหว เศรษฐกิจ ไ, ไม่ดีอญาติโยมก็เหมือนกันนะึถ้ามาวัดแล้วหลวงพ่อท่านไม่พูดด้วยอ่ะญาติโยมเป็นบรพันไม่พูดด้วยอะโยมจะย่างอยู่นานๆไม้มล่ะจันตะมามาถึงแล้วญาติโยมมาเป็นพันไม่พูดกับจัตะมาเลยอ่ะมองไปทางไหนยิงให้คนอื่นทุกคนพอ ม, ม, มาหันมหาจัตมาหุบปากถ้าอย่างนี้จะมามีดกลับวันนี้เลย ถ้าชนะ ก, ก็รู้สึกสะเทือนใจมากว่าโอ้คนที่เรารักที่สุดยังสั่งลงโทษเราสแสดงว่าเราีเนื้อเกินพอคิดขึ้นมาได้ให้ไปขอกมาคารณ์สงฆ์และตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ทันถึงเดือนบรรลุธรรมกลายเป็นพระอาหารหันต์ถ้าเห็นโดออยยางใกล้ชิดพระพุทธองค์ที่สุดแต่พอทําตัวเป็นน้ําชาล้นถ้วยคิดว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันแน่ฉันดีพอแล้วฉันรู้ดีอยู่แล้วไม่ต้องฟังใคร คนอย่างนี้กลายเป็นคนอาภัพบางครั้งคนที่เป็นคนอาพัพไม่ใช่คนโง่แต่เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ภูมิใจในความฉลาดของตัวเองมากเกินไปเห็นไมโง่เกินไปก็ไม่ดีฉลาดเกินไปก็ไม่ดีคือฉลาดใน่ดีแต่อย่าให้เกินพอดีจนฟังใครไม่ได้ โง่น่ะดีแต่ยังโง่เกินไปจนถึงขั้นดักดานไอ้ <c oughs> พอฟังเทศฟังธรรได้พอเทศขอสอนได้ก็ใช้ได้แล้วนี่คือเรืนที่หนึ่งคือน้ําชาลนถ้วยอย่าทําตนเป็นน้าชาลนถ้วยเพราะท่านจะกลายเป็นคนที่เติมอะไรลงไปไม่ได้อีกแล้วและท่านจะกลายเป็นคนที่ถูกพระพุทธเจ้าทิ้งถ้าไม่อยากเป็นคนที่ถูกทิ้งอย่าทําตัวเป็นน้ําชาลนถ้วยทําตัวเป็นน้ํำครึ่งแก้ว ทำตัวเป็นด้วยชาที่ว่างเปล่าเราจะได้เจมอะไรได้เยอะแยะมากมายทั้งหนึ่งประบาดแสด็จม่ใช อ, อยู่ของเร า, สาเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมีพระราช บ, บริพานคนหนึ่งมาถวายรายงานเรื่องบินพระองค์นั้นก็ฟังจนเจบพระองค์นั้นไม่ทักนะแต่เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปนานมากพระองค์ก็เล่า ว, ว่าฟังเขาบรรยายสองสามคำก็รู้แล้วว่าพูดผิดแต่ พองคนท่านนั้นก็เป็นบุคคลประเภทที่พร้อมจะเรียนรู้คือเป็นน้ำชาขึ้นท้วยเขาพูดอยู่ก็ฟังเพื่อจะให้รู้ว่าพูดผิดนั้นก็พูดกันยังไงนะคาพูดไม่ดีอยอมรัมันมีประโยชน์ไหมมีนะเขาพูดดีเราก็ฟังเพื่อจะให้รู้ว่าพูดดีนั้นพูดยังไงตอนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยสงนั้นอาจามาบอกให้นิสิต เขียนบนความมาส่งอาตมาบอกนิสิตว่าใครเขียนอะไรมาส่งอาตมาจะอ่านทั้งหมดเขียนดีอาตมาก็อ่านเขียนไม่ดีอาตมาก็อ่านนิสิตยกมือถามว่าพระอาจารย์ครับเขียนดีพระอาจารย์ก็อ่านเข้าใจได้แต่เขียนไม่ดีพระอาจารย์จะอ่านทำไมครับเสจนเวลาอาตมาก็บอกว่าเขียนดีอาตมาจะต้องอ่านเพื่อที่จะได้รู้เขาเขียนงานดีๆได้อย่างไง เขียนไม่ดีก็ยิ่งต้องอ่านเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่เขียนไม่ดีนั้นเขาคิดกันยังไงพอให้แนวทางอย่างนี้นีเสรทุกคนตั้งใจเขียนบทความเห็นไหมเชื่อว่าเราทําตนเป็นเป็นน้ําชาที่ไม่เต็มถ้วยเนี่ยเราจะได้ปัญญามากเราจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างวันนี้เข้าห้องไปเนี่ยอาตอมาเห็นพระาชาเอาฮิตเตอร์ท่านมาตั้งแล้วกลุ่มมันเยอะแล้วเกิด <laughs> อาตมาเป็นป ร, รยิยธรรมเก้าประโ ย, ยคนัค้นใครๆบอกว่าอาต ม, มาฉลาดแต่พอไปเจอนิตเตอร์ญี่ปุ่นอามตมากดไม่เป็น น, <c oughs> นั่งงอก็เดินบนตยปวนมาแต่พอไปเข้าห้องนอ้ำบอกว่าปุ่มเยอะกว่า น, นั้นอี้ต้องลองไม่รู้จะทํำยังไงกับห้อง น, <c oughs> องน้ำเปิดน้ํามาถูกน้ําลวกมือลวกหน้า <c oughs> ปุ่มมันเยอะไง <c oughs> บิดตรงโน้นบิดตรงนี้ <c oughs> โอ้โหแต่พอมันง้อแล้วมันฉลาดไหมม <c oughs> ันก็จะหลาดขึ้นมาทันทีนะ นี่นแหลมาเรีนชอบหนยว่าเวลาเราเราไม่รู้อะไรเราก็เรียนรู้จะไม่ใช่พอไม่รู้ก็แกล้งฉลาดนรืนิ่ง น, งนะอย่ามามรารักษาฟอร์มนะงู้ดก็งูง้งงไปเถอะพอมันมันได้เรียนรู้แล้วมันก็หายโง่ใช่ไหมเออแต่ถ้าเราไม่ไม่ยอมยอ ม, ยอมรับวเราโง่เราแกล้งฉลาดสักวันหนึ่งเจอตัวจริงนะเราจะเสียคนนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาพยายามที่จะเรียนรู้จากปรัชญาชา ไม่ล้นด้วยแต่ใครทําตัวเป็นชาล้นด้วยคนหย่านั้นมีโอกาสฉันโลถาวนนะ <c oughs> เอาไปดูเรื่องที่สองปัญญาเสร็จเรื่องที่สองตั้งชื่อว่าวางเป็นก็เย็นได้วางเป็นก็เย็นได้เพราะฉานั้นมีพระสองรูปออกเดินทางไปยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งวันนั้นฝนตกพร่ำคร ระวงเดินทางไปหัวมุมถนนแห่งหนึ่งไปเจอเด็กหญิงสาวสวยมากสวมชุดกิโมโนกาลังยืนถือร่มแล้งรอว่าจะข้ามถนนซึ่งจึงไปด้วยน้ำยังไงดีแล้งรอมองไปมองมามองมามองไปหลวงพ่อจเจ้าว่าแต่พระรู้วัดเดินไปไปเห็นสาวสวยสวมชุดกิโมโนสวยปึ้งอ ย, ยังกระอ้ำพัชราภาหลวงพ่อมองตาเชื่อม พระลว้วนก็มองตาเชื่อมฉันพักเลยโดยที่ไม่คาดคิดหลวงพ่อเดินจับจับจับจก้าวข้ามน้ำไปไปอุ้มผู้หญิงสาวสวยคนนั้นจากพุทธบานฝั่งโน้นมาวางพุทธบาทตั่งนี้ทะลวนอึ้งโอ้พูดอะไรไม่ออกพระหลวงพ่อเปเจ้าวาด <c oughs> หลังจากไปธุร์กลับมาคืนนั้นพระล้วนนอนคิดทั้งคืน พระวิไไนัยไหมแต่ผู้หญิงที่วันนี้ที่เห็นกับตาคือหลวงพ่ออุ้มเต็มเป่าเลยยังไงนาะนอนไม่หลับนะส่วนหลวงพ่อเนื้อกลับ ม, มาถึงวัดก็อาบน้าอาบน้าหลับแต่หนึ่งทุ่มเลยสบายเพราะเว่าถึงตีหนึ่งก็หลับไม่ลงตีสองก็หลับไม่ลงถึงตีสามอโดโดนทนไม่ไหวเดินจับฉับไปเขาะห้องหลวงพ่อหลวงพอ่พอหลวงพอ่พอตื่นขึ้นมา อะไรลูกหลวพ่อครับผมต้องถามหลวงพ่อให้ได้ถ้าไม่งั้ผมนอนไม่หลับครับอ่ะมีอะไรก็ว่ามาหลวงพาลวัดก็บอกว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อยังจําเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันได้ไหมครับเหตุการณ์อะไรล่ะคือหลวพ่อครับที่เราไปเจอผู้หญิงสวยๆหลวพ่อแล้วหลวงพ่อก็เดินเข้าไปอุ้มเธอจากฝั่งโน้นมาวังฝั่งนี้ กระผมสงสัยว่าเป็นท้าทำได้เรือครับหรวงพ่ออียนอ๋อจำได้ละเรื่องที่ฉันไปอุ้มผู้หญิงคนนั้นน่ะหรอือครับหรือพ่ออุย้ยฉันอุอ้มเสร็จฉันก็วางไว้ตรงนั้นล่ะและนี่แกยังไม่วางอยู่เลยในชีวิตจริง คุเราเยอุ้มอะไรอย่างนีไหมถูกเขาด่านะแต่เย็นันเสา <c oughs> คิดซิวต่อมาอีกหนึ่งอาทิตย์ตเช้าวันจันทร์อด้ด่ <c oughs> ามาวะแเย็นกล่วจับเขาไม่ทันอาจจะดนใครบางคนตาไม่เตรียมหลังขา <c oughs> อยากกินของอร่อยไม่รู้จักมันเข้าคิวแต่เช้าเขากระแนบกันี้ยเป็นคำเดียว เหตุการณ์นั้นผ่านไปเป็นปียัง จ, จำไหมจำเนี่ยพวกเราเป็นอย่างนี้ความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเพียงครั้งเดียวแต่บางครั้งเราก็จะคิดเจ้าแค้นเจ้าวางแผนกานเจ็บอยู่นั่นจำอยู่นั่นปล่อยไม่ลงปลงไม่ไายเกิดโดยผู้ใช้ปุ่นทางอกครั้งเดียวสะสม ทั้งเกาะเลยแหมจะอะไรกันนักกันหนาตนดีๆเขาก็มีนะตอนี้เราระดับกับเมืองไทยหลวงพ่อช่วยโยมด้วยนโยมไม่มีที่หวังที่เพิ่มอีกละนะทำไมล่ะโย่ก็เนี่ยผู้ชายญี่ปุ่นหากอกโย่คุยเสียงพุ่งเฉยนะ อันดามาก็แหมถ้าฉันไปญี่ปุ่นท่นจะไปดูหน้าคนเสียงเพราะเพราะพอมาเจอโอ้โหมีหน้าเขาด้วยหกกนกาอกนี่มันยังชิงช้าไปนะเนี่ย <c oughs> มันดีแต่เสียงนำเล้ยงกันดีอย่างนั้ดั้งหางมัก็จะพันสุดนี่หน้าเขาเป็นจริง อยู่นั่นแหละเออทุกคนนี่ทิ้งก็ไปหาคนใหม่สินี่เปนพวกปล่อยไม่ลงตรงไม่ได้เหรอขอเพลินทั้งไปโดนคายอ่ะไม่เจตนานะจริงๆน่าแางนี้ก็สวยหมดนะนไะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยเราเร า, เราต้องเจอความทุกข์เราต้องเจอปัญหา แต่ความทุกที่มันเกิดขึ้นปนัญหาที่มันเกิดขึ้นบางครั้งมันเกิดแล้วมันก็จบใช่ไหมแต่เรามักจะย้ำคิดย้ำทา <Okay. S 1> พอย้ำคิดย้ำทำก็ทําให้ถุกไหมถู ก, ถกบางคนวันจนันทร์ถึงวันศุกร์ทำงานแทบล้มระดาตายไม่มีเวลาทุกพอวันเสาร์วันอาทิตย์นุ่กายนักบักมาทุกข์ละวันเสาร์วันอาทิตย์เลยเป็นวันแหง่งความท <c oughs> ุกข์ มีชอบทําตัวเป็นควายที่เอาความทุกข์ของมันเคี้ยวเบื้องจัหนึ่งถูกจะทํางานฉันยุ่งนะพอวันเสาร์วัอาทิตย์ปุ๊บทําตัวเป็นควายควายนี้กลางวันมันจะกินหญ้านะมันจะกินกินกิแล้วมันเก็บไว้ไหนในในใต้คอนี่คนที่เคยเป็นควายจะมีประสบการณ์ <c oughs> เอาก็ตอบถูกอนเมื่อกี้เก็บไว้ใต้คอแต่มาก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนลองถามดูเออตรงนั้นมันเก็บไว้ใต้คอใช่ไหมเออไม่รู้อะไรเดีไปถามไปนะเออมันจะเก็บไว้นะมันจะกินทั้งวันนะมกินทั้งวันพอกลางคืนเนี่ยกลางคืนมันจะคันเย่อออกมาแล้วก็เขียวหยัก ยาบคเขายว่าควายเขียวเงืองก็เหมือนดังคนเขียวทุกสาอาทิตย์งานยุ่งจากจนถึงุดงานยุ่งวันสาวอาทิตย์อมีเวลาเอาละขันยอกเอาความทุกออกมาเจ้านายฉันด่าหมันฉันด่ากิ๊กฉันนะไม่โทรกลับ จำหถึงเดีฉันไม่มีเวลาเลยตอนนี้ปั๊บเอารวบรวมมาเอาความทุกข์มาเคี้ยวเอื้องหยบจยบหยบดูละคอนำหนอกเปิดไปเศร้าเต็มที่เปิดสังวนน้ำร้อหัว ร, ร้องไห้ดูดือดเยนี่เขาเรียกว่าพวกปล่อยไม่ลงปลงไม่ได้สังเรื่องนี้แล้วยังจะอุม้มหนีความทุกข์เนี่ย อย่าไปรุ่มความทุกข์นะชี้เราสั้นนะเกิดมาเป็นคนกระเก่าทั้งที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่ามันนั่งเต้านั่งหมองหมอนหมอ ง, ของเขาเศร้าอยู่เนี่ย น, น ะ, ะนนถ้าเราเจอความทุกข์ถ้ามันได้เกิดขึ้น <c oughs> ก็พยายามที่จะปล่อยซะปล่อยให้ลงตรงให้ได้ <c oughs> ต่อไปเรื่องที่สาม อันนี้เป็นเรื่องที่ตมาได้ยินได้ฟังมาตอนที่มาดูงานที่หมู่บ้านมรดกโลกหมู่บ้านชื่อราคาวะโกะใครเคยไปแล้วไหมสิโอ้โหอยู่ญี่ปุ่นโซตมาไม่ได้ตมาไปมาแล้วแล้วหมู่บ้านชิราคาวะโกเนี่ยเป็นหมู่บ้านเมืองมอรดกลกอยู่ในหุบเขาจะมีสะพานแขวนข้าม ข, ข้างล่างจะมีหุบเหวลึกมากน้ํำใสไหลเย็น แล้วลายมาจากไหมาเฉียบกยวก่ากระดกถ้าเราไปยืนอยู่ตรงกลางสะพานแล้วมองลงไปข้างล่างนายโยมว่าใจเต้นผงาดฉะนั้นเวลาเดินผ่านจะไปมองข้างล่างแล้วยนยโยมใจวูบใจบวิวเริ่มอาจจะพับตกลงไปตรงนี้มีเรื่องเล่าเป็นตัวอย่างเหมือนกันเขาว่ากันว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจะเดินทางเข้าเมืองพร้อมลูกบ้านอีกสิบกว่าคน ขณะที้เดินมาตรงกลางสะพานก็มาเจอลูกบ้านซึ่งเป็นกลุ่มนายพรานอีกสิบกว่าคนกลุ่มนายพรานนี้ก็ไปล่าสิงสารสัตว์ในปา่ากลับออกมาได้กวางใหญ่ตัวหนึ่งแบกมาบนบ่าทั้งสองกลุ่มมาเจอกันตรงกลางสะพานนะนะผู้ใหญ่บ้านยืนทั้งมืออยูนะนะ่ด้าหน้าของกลุ่มนายพรานซึ่งมีมีดมีขวานมีธนูมีอาวุธเพียบนะมีกวางใหญ่ ถามกันมาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วใครจะถอยใครจะถอยอีกคนหนึ่งก็แบกศักดิ์ศรีผู้ใหญ่บ้างจะถอยก็เสียชื่อไหมอีกคนหนึ่งก็แบกศักดิ์ศรีในพานใหญ่ถ้าถอยก็เสียชื่อไหมล้มเต้งล้มกวางล้มเสือล้มช้างได้หมดถ้ามาถอยก็เสียชื่อคนหนุ่มหนมาเจอกันกลางสะพานเกิดเหวียงกันขึ้นไม่มีใครถอย เทียงมาเทียงไปเถียงไปเถียงมาลูก น, น้องก็กระซิบผู้ใหญ่บ้านท่านเป็นหมือนผู้ใหญ่บ้านนะถ้าท่านถอยนะท่านจะกดครองใครไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านก็เออจริงลุะนะนกน้องนายพรนะานะงก็กระซิบเจ้าไหนนายครับนายอยู่ในป่าเนี่ยนะเสือมันยังไม่กล้ากระแองเลยฉะนั้นท่านนายถอยเนี่ยเสียชื่อแลครับนาย นายพานก็คิดเออจริงจบลงทั้งคู่เลยยืนขึงกันอยู่อย่างนั้นครึ่งวันอยู่แสนุกนะเดินะมองตากันปิดเป็นจริงหิวข้าแทบตายเอกรังจะเข้าเหมือนก็ไม่ได้เข้าเอกรังจะเข้าหมู่บ้านก็ไม่ได้เข้าระหว่างที่ยืนแะ่หมุนทึงอย่างนั้นลูกน้องพวกพายกระซิบมันก็กระซิบตลอดพี่ทําพี่ถอยก้าวเดียวนะ เสียชื่อพี่นะาครับถ้านายถอยก้าวเดียวตรงไปนายจะปกครองใครไม่ได้นะครับยืนอย่างนั้นยืนมายืนไปเลยรู้สึกก็เถียงกันเถียงมาเถียงไปสุดท้ายนายพรานอดทนทนไม่ได้ปวดมากยื่นมีดออกมายนกวางซึ่งไปล่ามาทั้งคืนทั้งวันได้นะั้นตัวใหญ่มากทิ้งลงไปในนะ้ําโค้งเลยชักมีดออกมาผู้ใหญ่ไม่หอยใช่ไหม ผู้ใหญ่เห็นไหมอะไรจบลงไปข้างล่าง <laughs> ว, <laughs> ว่า <laughs> ถ้าท่านไม่ถอยท่านจะเป็นรารต่อไปผู้ <laughs> ใหญ่คิดนะ <laughs> ลูกน้องนะครับนายถอยไม่ได้นะครับ <laughs> <laughs> ยอมฟังให้ดีนะ <laughs> ในชีวิตเราบางครั้งตัวปัญหามันอยู่ที่เราหรือยอยู่ที่ไหน <laughs> <laughs> อยู่ที่ใครกันสิ คิดหน่อยคิดไปผู้ใหญ่ก็มองเห็นกวาตงตกลงไปในน้ำแล้วถึงน้ำพัดรวนเร็วหายวับไปกับตะนาทีต่อมาผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจถอยใส่เกียร์ถอยไปขึ้นยืนอยู่บนฝั่งในพาราหนุร่ร่าเดินหน้าขึ้นฝั่งพอในพาน์เดินผ่านไปมีความสุขมากผิวปากเลยลูกน้องในพานก็กรลางใหญ่โอ้โหมีความสุขลูกน้องผู้ใหญ่จ่อยพอขณะในพานขึ้นฝั่งไป เจ้าเล่อล้อนายครับนายถอยอย่างเนี้ยต่อไปนายจะปกครองใครได้นะผู้ใหญ่บ้านหันไปมองเออฉันยอมรับว่าฉันถอยแต่การที่ฉันถอยนะแกรู้ไหมว่าฉันเสียอะไรยังดีฉันก็แค่เสียหนะ้าแต่ถ้าฉันไม่ถอยแกรู้ไหมฉันจะเสียอะไร ชีวิตข้านายผู้ใหญ่บ้านพอสั่งสอนลูกน้องเสร็ก็เดินเข้าเมืองไปด้วยความปลอดภัยในงานพอเดินก็อยู่บ้านก็ร้องรำทำเพลงเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขแต่เสียอะไรไปเสียกว่างที่ล่ามาได้โตลงใครชนะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ในชีวิตจริงบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะถอยบ้างนะจุ๋มเคยถอยหมถอยประจำแล้วนี่เนี่ยการถอยเนี่ยมองตุ้อเตนเหมือนการแพ้โยมว่าไหมแต่แท้ที่จริงน่ะการถอยอย่างมีปัญญาเป็นชนะอย่างหนึ่งนะฉะนั้นเรื่องนี้ตะมาขอตั้งชื่อให้ว่าแขว ไปข้างหน้าโยงกลับไปบางครั้งโยมจะต้องได้ใช้เรื่องนี้นะพอ่อแม่ทะเลาะกันลูกไิ่มกใครถอยให้ใครลูกโกรธพ่อโกรธแม่ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปแล้วก็ไปชนสิบลอ้อยนในพวกนี้ก็ประหลาดรถเเล็กมันก็ไม่ชนจะไปชนสิบลอ้อเคยเห็นข่าวไหมือ <c oughs> <c oughs> ลูกทะเลาะ ก, กับพ่อโน้ยใจขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนสิบล้ อ, อเพราะว่าชนรถเล็กๆมันไม่ตายดังนั้นในในชีวิตของเราจะมีบางช่วงบางตอนบางจังหวะที่โยมมันจะต้องถอยแล้วก็อย่าไปคิดว่าถอยทุกครั้งแพ้ทุกครั้งอานตะมาคิดว่าบางครั้งการถอยก็เป็นใจชนะอย่างนี้น แต่สมาชิบอก ไ, ได้ว่าโยมจะได้ใช้การถอยเพื่อเข้าไปข้างในเมื่อไหร่นรนะโยมฟังไว้วันหนึ่งโยมจะได้ใช้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะโยมที่แต่งงานแล้วนะถ้าแรงด้วยกันทั้งคู่โยมันจะรอดไหมแรงกับแรงก็รู้ไฟหนึ่งแรงมาไฟหนึ่งอ่อนไปอาจจะรอดถ้าไฟกับไฟมันเจอกันเป็นยังไง ก็ไหมทั้งคู่แล้วก็ไม่ทั้งบ้านไหมทั้งเลือนชีวิตส่งรถก็จะพังดังนั้นในชีวิตจริงๆของเราบางครั้งเราก็ต้องถอยบ้างและอย่าไปกลัวพ่าการเสียหน้าจะทําให้มันไปต่อไม่ได้หน้าตานี้เป็นสิ่งสมมุติยมแต่ชีวิตเป็นของจริงเอาชีวิตไปนะบางครั้งยอมเสียหน้ามันก็ได้แต่อย่าให้เสียชีวิตเพราะถ้าโยมเสียหน้าชีวิตยังอยู่ไหม ชีวิตมันยังอยู่ยกก็ไปสร้างหน้าใหม่ได้อ ย, <c oughs> อยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบคิดหน้าเราเนี่ยเพราะมันเสียไปแล้วใช่ไหมอ่าไปวัดนะ no. <c oughs> ไปอุปถัมภ์ัดเดี๋ยวก็มีหน้าขึ้นมาอีก <c oughs> มีหน้าให้เสียอีกเยอะแต่ถ้าเสียชีวิตแล้วเนี่ยจบไหม <c oughs> จบนะจบไมนะบางครั้งถอยอาจไม่ได้หม่แพ้แต่ถอยอาาใหม่ถึงชนะก็เป็นได้ มาดูเรื่องต่อไปเรื่องของความรักวันนี้วันที่สิบสองปัญญาอย่างดี <c oughs> ถามปัญหารุ่มลึขนาดนี้ก็ตอบได้ <c oughs> วันนี้วันที่สิบสองีกสวันจะเป็นวันที่ว <c oughs> ันมาเลนไทยจะมาถึงแล้วนะใ <c oughs> กล้กวันมาเลนไทยเนี่ยทำให้ต่มานึ้ถึงความรักแต่ความรักมันมีหลายแบบ วันนี้จะเล่าความรักอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าความรักเป็นยาพิเศษมีสำนักเซีนอยู่สำนักหนึ่งมีศิษยานุสิประมาณ500คนเป็นในเป็นพระทั้งนั้นรวมกันอยู่500คนทีนี้ในบรรดาศิษยานุสิปหมาร500รูปคนนั้นก็มีเนน้อยอยู่รูปหนึ่งอายุ 18-19 แล้วเป็นเนนโค้ ไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ใน น, ในี่นายกลางคืนทุกคืนแอบปืนกําไพงออกไปเที่ยวครูบาอาจารย์ที่รู้ไปห้ามปรามก็ไม่ฟังวนหนึ่งพระทั้งวัดจึงทําบัญชีห่างว้าล่าราชื่อจนหมดวัดเลยนะแล้วพอทําวัดเย็นวันนั้นก็ไปยื่นหลวงพ่อจะเอามาหลุงพ่อหยิบจดหมายมาอ่านเล่มจดหมายเขียนว่าหลวงพ่อครับ ยืนนอยู่รูปหนึ่งชื่อจุดจุดจุดมีพฤติกรรมที่นําความเสื่อมเสียมาสู่สํานักเสนของเราข้าพเจ้าซึ่งมีรายนามในท้ายจดหมายนี้499ชื่อขอเรียกร้องให้หลวงพ่อไล่กลับมาในรูปนี้ออกจากสํานักเพราะนี้เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวความเสื่อมเสียจะมาสู่วัดเราถ้าหลวงพ่อไม่ไล่พออ่อ วกเกาสรอเก้าเิเก้าลบจะขอออกจากวัดครับโอ้โอห1นึ่งต่อสี่เก้าเก้า อ, องคิดดูนะอย่าเอาไปแทงนะจค่ตุกนิดเดียวเนี่ยจำหนึ่งต่อสี่เก้าเก้า คือคือสี่เก้าเก้านี้ต้องคิดว่ายัางไงหลวงพ่อก็ต้องเลือกผู้ติเองใช่ไหมเยอะอะหลวงพ่อเรียกประชุมรวมทั้งเรื่องเลนข้อมาด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าลูกถ้าลูกทั้งหลายสี่รอยเก้าสิบเก้าลูปจะลาออกพ่อก็ขอให้หลาออกไปเถอะส่วนเจ้าเล น, นข้อรูปเดียวนี้จะให้พ่ อ, อไล่โอกจับวัดพ่อทําไม่หนกทําไมครับพระอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่า ก็รู้ทั้งหลายสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโรคอะไรดีลูกก็รู้อะไรชั่วลูกก็รู้ส่วนเจ้าหนี้ดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องให้เขาอยู่กับพ่อไป น, น, นานๆจนกระทั่งเขารู้ดีรู้ชั่วสุดท้ายสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโรกเลยได้ออกสมใจ <laughs> ทุกโรคก็เลยตั้งต่ว่าจะลาออกแต่หลวงพ่อก็บอกว่า ลุงทั้งหลายใจเย็นเย็นหลวพ่อจะหาวิธีสอนเขาเองอยู่มาวันหนึ่งขณะหิมะ ก, กาลังตกกลางค่ำกลางคืนนะจะเล่นพวกคนนี้ทำยังไงพอเห็นทุกคนหลับหมดแล้วป๊อปในเวลาพระเปิดสี่ทุ่งเปลากบันไดมาพาดกำแพงแล้วก็ปีนออกไปด้วยความคล่องแคล่วเขาก็ทำอยู่อย่างนี้ต่อมาอีกเป็นอาทิตย์ ในระหว่างนั้นหลวงพ่อก็ทําวิจัยว่ามันเข้าทางไหนมันออกทางไหนจนหลวงพ่อจักทางมันได้แล้ววันหนึ่งพอตีทุ่มันปีนออไปนะตีสามมันกลับเข้ามาหลวงพ่อนั่งสวดมนต์เสร็จตีสองมารอบันไดข้างนอกเนี่ยมันพลาดไว้หลวงพ่อก็ไปเก็บไม่ได้หรอกแต่หลวงพ่อเก็บบันไดข้างใน เขาเตะสามปุ๊บกวนได้ยินเสียงกุกักูกัด ก, กุด ก, กักมันเหยียบบันไดข้างนอกข้ามกำแพงเข้ามาหลวงพ่อเก็บบันไดข้างในแล้วก็ไปยืนรอสักพักหนึ่งเกียบนะซึ่งเนสวมเหยียบลงวันนี้ <c oughs> เหยียบลงบนหัวหลวงพ่อลำขอแของ็งเลยเท้าข้างหนึ่งมันเหยียบลงบนหัวสั ก, กขัางห่งอีกข้างเหยียบลงบนบา่าไฮแนรเข้ามาดูคิดดู ทำไมวันนี้บันไดมันหยุนหยุนเนตอนเหยียดได้สองข้างพุ่งมันก็กระโดดตุ๊บลงไปมัก็เอะใจว่าทําไมวันนี้บันไดมันหยุ่นหยุนยอมเก็บพิกลแต่ก็ไม่กล้าหันมามองนะหิมะก็ลงหนาวก็หนาวฮีเตอร์ก็ไม่มีต้องเดินผ่านไปได้สักสิบเก้าเจ้าเด็กคงกระจามฮัชช่วยหลวงพ่อซึ่งมายืนรอเป็นบันไดอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงได้ยินลูกจิตจามฮัชช่วยหลวงพ่อก็ แต่โกรเได้หลังลูกอากาศหนาวมากดูแลตัวเองหน่อยนะจ๊ะเน่โคงได้ยินเสียงคุนค้นๆนะหันไปมองตายหาลูกพ่อจะเอาว่าเอ้นเมืเ่อกี้ชันเหยียบอะไรลงมาเนี่ยพอรู้อศกเตือนแเด็คืน น, ะนั้นในโห้งนอนไม่หลับพึ่งนึกได้ว่าเหยียบหัวเจ้าอาว่า ใช่ไหมด้วยความกำเนื้ปิดตั้งแต่นั้นมาไม่กลับออกไปเที่ยวอีกเลยเพราะอะไรเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเลวขนาดนี้แต่หลวงพ่อยังรักเขาความรักมีปาฏิหารนะโยมทั้งหลายมีลูกกันใช่ไหมเนยเนี่ยเนี่ยมีแปดเดือนใช่ไห้เรื่อหน้าเนีย่ยมให้ความรักเขานะวิธีสอนลูกวิธีสอนหลานบางคนใช้เงินเดี๋ยงลูก บางคนใช้คำด่าเลี้ยงลกูกบางคนใช้ความรุนแรงเลี้ยงลกูกแล้วก็หลงลืมไปว่าบางครั้งความรักนั้นหลังหัที่จะช่วยให้เราเลี้ยงลูกได้อย่างดีเปดด่าเขาด้วยความรุนแรงเดี๋ยวเขาก็จดเขาก็จำโตขึ้นเขาก็ด่ากลับเราสินอะเพราพ่ อ, พอแม่คืออะไรคือีนทักป ร, รการที่มีชีวิตของลูกลูกจะดูพ่อดูแม่เป็นตัวอย่างทั้งนั้น การสอนลูกสอนหลานหรือการแก้ปัญหาชีวิตบางครั้งไม่ต้องใช้ความรุนแรงเราแค่ใช้ความรักก็จะทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้ขอเล่าเรื่องจริงในสมัยในหลวงรัชกาพที่ษถ้าวระฆังท่านชอบเตะตะครอ้อยุคนั้นสมเด็จพระพุทธจาจย์โตท่านเป็นเจ้าว่าพอสาเด็จไม่อยู่พระก็ตั้งวงเตะตะกร้อนะ วนหนึ่งสมเด็จพุทธเจา้าโตท่านไปเทศต่างจังหวัดกลับมาพร้อมข้ามนะหกมงเยนท่านมาถึงโอโหได้ยินเสียงโหได้ยินเสียงหฮาอยู่ข้างวิหารท่านเดินมาท่านไม่เข้ากุฏิท่านไปยืนมองดูโอโหพระโลกวัดฉัน <c oughs> มันเตะตะก้อลอดห่วงนะล้อมวงกันถกขมิบเตะตะก้อถ้าตะก้อมันลอดห่วงหน้าที่ก็ฮาตึม <c oughs> สมเด็จเลยไปยืนข้างหลังวณ เตะไปเตะมาเตะมาเตะไปแล้วรูกตะก็้อหลุดจากวงมาพเพราะสมเร็ถรับได้อ้าโยนให้องนั้นไม่รู้ว่าใครโยนมาก็เลยเตะฉับเข้าไปฮแล้วก็หันมาอโอ้แก โ, โยนดีนะหันกลับมาชี้หน้าตุบเดียวตซุบเดตัวเออของใช่ <laughs> พอรู้ว่าใครไปใครวันรุ่งขึ้นไม่มีวงตะกรอ้อ อยียนไม่ได้ยังการปกครองบางครั้งไม่จําเป็นต้องใช้อํานาจใช้บังคับใช้อารมณ์ขันมันก็ได้ผลนะโยนนะอย่างธรรมาเนี่ยอยู่ก็อยู่กับหลวงพ่อที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเน้นเป็นร้อยเลยนะเน้นบางรูปก็ไปบิ่ยบาทบางรูปก็ไม่ไปเบี่ยงท่บาตแต่หลวงพ่อจะต้องไปบิ่ยบาททุกวันอยู่มาวันหนึ่งเราไปบิ่ยทบาตกลับมาทั้งวัดแล้วมีเน้นสี่ห้ารูปไม่ไปบิ่ยบาต ตอนบอกว่าเช้าวันนั้นถึงเวลาฉันข้าวเนี่ยสองโ<อ><ผ>มงช้าแล้วหลวงพ่อไม่ลงฉันเนรทุกรูปทั้งวัดเลยก็นั่งรออยู่อย่างนั้นผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็เลยส่งตัวแดนไปนรื่องหลวงพ่อจเจ้าว่านมาฉันหลวงพ่อบอกว่าวันนี้หลวงพ่อขอไม่ไปฉันเพราะว่าหลวงพ่อป่วยจิงไม่ได้ไปบิณฑบาตในเมื่อไม่ได้ไปบิณฑบาตก็ไม่ควรจะไปฉันข้าวของชาวบ้านส่วนเนรห้ารูปที่ ไม่ได้เป็ี่ยนท่านบามันเป็นนั่งรอแต่เช้าเลยนะก็หลวงพ่อฝากสัญญาไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตั้งแต่นั้นจนมาไม่มีใครขาดอีกเลยต้องไปเปลน ท, าท่านบและจนบัดนี้วัดของอาตมา ก, ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หลวงพ่อเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วนะอายุเจ็ดสิบห้าแล้วนะยังคงบินท่นบาร ท, ทุกเชา้ายกเว้นวันที่ท่านป่วยท <c oughs> ี่คือวิดีสอนที่แยกคายมางนั้นโยมนะ อย่างตัง้งหลายลองเอาไปใช้นะใช้อารมณ์ขันบ้างไม่ใช่เออะมาเทิ้งก็โกรธเออะมาเทิ้งกเกลียดเออะมาเทิ้งก็กาางกชักปืนชักมีดความรุนแรงเน่ยเก็บไว้ใช้ให้น้อยที่สุดนะใช้ความรักให้มากมแล้วมันจะทําให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นใกล้มันมาเลนไทยแล้วว่ามีความรักกันบ้างนะอย่าลูกพอหนะสามสี่รูปนี้หนาวกลับเมืองไทย เหนือท่านรื่หนึ่งยมอยู่กับท่านย่อมต้องให้ความรักท่านนะดูแลท่านดีๆที่ไหนที่มีความรักที่นั่นเป็นสวรรค์ที่ไหนที่มีความเกลียดชังที่นั่นก็เป็นนรกเราเนั้นเาจะมาอยากจะให้เราท่านทั้งหลายหันกลับมาใช้ความรักเพื่อเยียวยาปัญหาชีวิตดูบ้าแล้วอะไรๆมันก็จะดีขึ้น ีวันนี้ก็คิดว่าเอานิทานปรัชญามาฝากโยมทั้งหลายไปกี่เรื่องละามมาเล่าไปทั้งเยอนะ่ะกี่เรื่อง <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะขอแถมท้ายอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญพอๆกันที่วัดหนึ่งๆมีหลวงพ่อรูปนหนึ่งเป็นอาจารย์เป็นหลวงพ่อนเนี่ยชอบตสะสม ของโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้วยน้ําชาอนะอายุร้อยปีพันปีนี่หลวงพ่อจะชอบจิ้มชาเสร็จแล้วก็พิจารณาดูถ้วยช า, ามันเครื่องลายครามเนะี่ยิ่งเก่ายิ่งดีแต่หลวงพ่อก็ชอบแสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงหลังทําวัดเย็นเสร็จปั๊บหลวงพ่อจะเทศอยู่เรื่องเดียวเลยในชีวิตหลวงพ่อนะถ้าไม่เท้เรื่องอื่นเลยเช่นวันนี้ทำวัดเย็นเสร็จปั๊บท่านก็กอเทศให้ลูกเน้นฟังลูกชีวิตคนเรานะ่ ตั้งอยู่ในกฎสามกดหนึ่งไม่เที่ยวนะสองเป็นทุกข์สามเป็นอนัตตาใดๆในโลกที่เกิดมาลุ้นแล้วแต่ต้องแตกดับไปในที่สุดจาไว้เนื้อลูกนะเนรน้อยก็จําจํานะเขามันฟังอยู่กันเดียวนะ <c oughs> อยู่มาวันหนึ่งเนรน้อยมาล้างถ้วยชาหลวงพ่อล้างไปล้างมาล้างมาล้างไ ป, งงงไปเกิดพาดแตกพึ่งเลย หายแล้วทำยังไงหลวงพ่ อ, พอไปเที่ยวข้างนอกนะเย็นวันนั้นเนรน้อยในหัวใจเต้นตุ้มตุต้มต่อมตอมเพราะว่าจะต้องจูงชาถวายแต่เพื่อชาที่หลวงพ่อโปรนั่งโปรนานั้นแตกไม่มีชิ้นใดพอหลวงพ่ อ, พอกับวัดปุ๊บเนรน้อยวิ่งไปรับหลวงพ่อครับ หลวงพ่เคยสอนว่าดดดในในในโลกล้วนอันนิจจ์ใช่ไหมครับดูปัญญานอะดูปัญญาเน้นน้อยนะใช่ลูกลูกต้องจําไว้เลยนะไม่รู้ไม่รู้งานเข้าใครไม่รู้ว่าลูกต้องจําไว้นะ ด, ดในในในโลกล้วนอันนิจจ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเบื้องต้น น้ำรู้อยู่ในท่ามกลางแล้วจะแตกดับไปใไนที่สุดจําให้ดีนะลุงับหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เดินเข้าห้องไปเ น, น้นยอยังตามไปนะเอาด้วยชาตน้นมาด้วยตอหลวงพ่อถงน้ำเสร็จเน้นๆะก็เป็นขนาะหลวงพ่อครับ หลวงพ่อจะยืนยันเรื่องอั น, นิจังไหมทำไมวันนี้ถามซ้องถามามันไม่ใช่คำสอนที่เข้าใจยากอะไรจงไหมใดๆ ใ, ในโลกล้วนอั น, นิจังมีคกอขึอ้นมีแตกดับเป็นธรรมดาพอหลวงพ่ อ, อยะพูดกเนม น, น้อยเอาถ้วยชามาโจ้หลวงพ่อครับ ตอนนี้ลูกทำด้วยชานแตกแล้วครับนี่คือความไม่เที่ยงใช่ไหมครับหรือมองแบบตาพ้าไปหมดเลยมันก็ใช่แล้วลูกแต่มันไม่ควรจะเป็นด้วยหลวงพ่อเป็นยังไง วันนั้นหลวงพ่อเลยไม่รู้จะทำยังไงนะหม้เรียววางอยู่บนผานมว่องแต่จะหยิบมาเชียนเนียนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ลบล้างคําสอนตัวเองใช่ไหมพอหลวงพ่อบอกว่าใช่แล้วลูกทุกสิ่งทุกอย่างแตกดับเป็นธรรมดาเนินระดับปนมือทางท่านซิครับหลวงพ่อ รู้จะจำไหมครับ <c oughs> แ, ลแล้วเก็บด้วยชาไปทิ้งถึงกระยาบวันนั้นปลอดภัย <c oughs> ยมถึงหรื อ, อยังหัว <c oughs> ใจของพุทธศา ส, สนาคืออั น, นิจจังทุกขังอนตัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แทนในในในโลกนี้นอ น, นิจจังยมจาไว้นะวันหนึ่งยมจะได้ใช้ในชีวิตเรานี้ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมซีนามิข น, นะ มันไม่เคยมามันก็มาใช่ไหมแล้วพอมันมาแล้วมันอยู่ตลอดไหมมันก็ไม่อยู่ตลอดแลมันก็ไม่เที่ยงหรกความสุขนี่มันมีได้แล้วมันอยู่ตลอดไหมเดี๋ยวมันก็ไปแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นมันอยู่ตลอดไหมเออนี่ก็เข้าใจทุกอย่างนะแล้ววันหนึ่งระวังให้ดีนะถ้าสามีมาชวนคุยอย่างเนี้ยที่ร ท่านบอกว่าใดๆก็ไม่เที่ยงใช่ไหม